เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีความเพ่งพินิจ เมื่อไม่มีความเพ่งพินิษก็ไม่มีปัญญาผู้ใดมีทั้งความเพ่งพินิษและปัญญาผู้นั้นนับว่าอยู่ใกล้นิพพานพุทธวัจนะ เรามาพูดมาฟังเรื่องเกี่ยวกับตัวเรากันเรื่องกายเรื่องใจของเราเรามาคุยเรื่องตัวเราเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าหากว่าเราพูดเลือกคนอื่นคนที่เขารับฟังเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยชอบตัวหร่ ทำให้เราเกิดมีศัตรูโดยที่เราไม่ค่าคิดก็ว่าได้นะคุดเลือกคนอื่นบุคคลที่สามอย่างเงี้ยทำให้จิตเป็นอกุศลคุยเรื่องตัวเราดีค่ะมันดับทุกได้เราไปดูแต่สิ่งภายนอกจนลืมดูใจเราใจเราก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ย จะเน้นมากคือเรื่องกายเรื่องจิตที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าสําคัญนะเรื่องการเจริญสติดูกายดูจิตเนี่ยเพราะว่าชีวิตของเรานี่มีกายมีจิตแต่เราก็ไม่เคยได้เป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้ความคิดปล่อยให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความกังวล พวกนีมครอบงําจิตใจเราหมดมันเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเราเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเจ้าของรูปเจ้าของนามเราที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราจเจริญสติเนี่ยถ้ามีสติควบคุมกายควบคุมจิตของเราได้เมื่อไหร่เราก็เราจะปลอดภัยจากความทุกข์จิตใจเราจะเป็นอิสระ อิสระจากความคิดอิสระจากอารมณ์ที่มากระทบไม่ใช่ว่าจะไม่มีการกระทบมีมีอยู่แต่มีแบบเป็นนายเป็นนายของความคิดเป็นนายของติดของใจแล้วเพราะว่าเมื่อเรามีสติควบคุมกายควบคุมใจเราได้เมื่อไหร่เราก็กายวาจาก็จะเป็นปกติปกติของกายนี่ก็คือ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มสุราอันนี้คือเป็นปกติของกายปกติวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้เป็นปกติของวาจาจะเรียกว่าเป็นศีลก็ได้ศีล น, นี่เป็นธรรมที่ควบคุมกายควบคุมวาจา ให้เป็นปกติปลอดภัยแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแล้วเป็นศีลโดยที่เราไม่ต้องไปสมาทานแลเพียงเรามีสติรู้กายรู้จิตของเราเมื่อไหร่แล้วก็ศีลก็จะเกิดขึ้นที่กายที่จิตที่วาจาของเราโดยเฉพาะที่จิตใจอันนี้ก็สาคัญนะเรื่องจิตใจเนี่ยเพราะเมื่อมีสติแล้วน่าจะจะควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติแล้ว ใจเราก็พลอยเป็นปกติไปด้วยเพราะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตเราเนี่ยก็ต้องมีสมาธิเข้าร่วมด้วยสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยที่ไม่เข้าไปพัวพันกับอารมณ์เหล่านั้นจิตตั้งมั่นดูอยู่รู้อยู่ ไม่เข้าไปคลุกเคล้ากับอารมณ์ที่เรากำลังดูอยู่เมื่อเรามีสติรู้กายจิตก็ตั้งมั่นรู้กายไม่เข้าไปเป็นกายไม่เข้าไปอยู่ในกายเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆเช่นความคิดการปรุงแต่งต่างๆในจิตใจจิตก็จะมีสมาธิไม่ปล่อยให้คลุกเคล้าหรือไป แช่ติดอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเพราะมีสติมีสมาธิสงบอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่เข้าไปอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเพียงเรามีสติเท่านั้นเองเราก็จะมีความสงบของจิตเป็นสมาธินี่แหละจิตก็เป็นปกติมีสติเท่านั้นเองสติดูกายดูใจ าากายว่าใจก็เป็นปกติอันนี้เรียกว่าเป็นศีลศีลอยู่ภายในจิตใจเลยล่ะแล้วเวลาเรามีสติมีสมาธิทำสองอย่างเนี่ยเป็นทำฝ่ายที่กุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดปัญญาคือรอบรู้เท่าทันในกายในจิตของเราเนี่ยเกิดปัญญารู้ความจริงของตัวเรา ม, มีประโยชน์ทั้งนั้นทําให้เราเกิดปัญญารู้เท่าทันกายใจเรานี่ในภาษาธรรมก็เรียกว่ารูปนามเนี่ยจะเห็นรูปเห็นนามนะการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อให้เห็นรูปเห็นนามนี่คือเห็นความจริงที่เขาเรียกว่าปรมัตธรรม เ, เห็นความจริงของตัวเราเป็นเพียงรูปนามชีวิตนี้มีแต่รูปนามเท่านั้นศักแต่ว่ารูปศักแต่ว่านาม กายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปจิตที่มันรู้สึกดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยเป็นนามหรือความคิดนึกต่างๆนี่ก็เป็นนามมันไม่มีตัวเราเลยมันจะถอนส ก, กายติทิที่เห็นว่ากายใจนี้เป็นตัวเราเป็นเพียงแค่รูปนามนี่เท่ากับเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเนี่ยเป็นเพียงรูปนามที่ก็ทําหน้าที่กันอยู่ เมื่อเราเริสติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นรูปนามถ้าก็ว่าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วถ้าได้หลักนี่มันก็ไม่ล้มมาละใหม่ๆเราปฏิบัติอาจจะล้มลุกลุ ก, ล, กลานคิดบั่งเครียดบั่งเบื่อมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะอันนี้เราไม่ได้หลักนะจะล้มลุกลุ ก, ล, กลานแต่พอเราเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีที่เกาะแล้วเราเดินสะพานไปไหนถ้ามี เราจับแล้วก็มั่นคงเมื่อมีรูปมีนามเห็นรูปเห็นนามแล้วก็การปฏิบัติก็จะได้หลักเป็นวิปัสสนาหละคือการดูรูปดูนามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อรูปนามเนี่ยจะแสดงความจริงออกมาไอเราเห็นหลายๆอย่างเป็นความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกบ้างบังคับบัญชาไม่ได้บ้างเราจะเกิดปัญญาที่รูปที่นามในตัวเรานี่แหละเห็นทุกของรูปเห็นทุกของนาม ทุกของรูปก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยความปวดความเมื่อยความหิวนี่แหละทุกของรูปเราเห็นนะแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเา้าเก็แก้ไขไปด้วยสติในต่อไปเราจะเห็นทุกของนามทุกของนามนี่ก็คือความคิดความคิดทำให้จิตเป็นทุกข์จิตโดยเป็นปกติเขาก็ทุกอยู่แล้วแต่พอมันเกิดความคิดปรุงต่งขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะเป็นทุกข์ึน้นเ คิดรักคิดโกรธคิดกลัวอิจฉาลิษยาหวาดระแวงที่ตกกังวลต่างตางอันนี้เป็นภาวะที่ทำให้จิตเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยทุกข์ของนามเห็นรูปเห็นนามนะแล้วก็ดูรูปดูนามเรเรื่อยเนี่ยเราจะเกิดปัญญาสติดูรูปเท่ากับเอาจิตเอานามดูรูปสติ ดูจิตก็คือสติดูความคิดเอานามดูนามเรื่องของจิตใน่ เ, นเรื่องของนามเนนเราก็จะไปเห็นความคิดทำทั้งหลายเนี่ยสรุปลงที่จิตลงที่ความคิดเราอาจจะมีสติดูรูปมาเรื่อยๆดูนามมาเรื่อยๆเนี่ยจะสรุปเลือสั้นๆคือการมีสติดูจิตหรือเอาจิตดูจิตหรือเอานามดูนามเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพราะว่า สิ่งทั้งหลายที่มันสร้างปัญหากับเราเนะี่ยก็คือที่จิตใจคือที่ความคิดเนี่ยเหตุของความทุกข์ก็มาจากความคิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสิ่งที่มาความคิดทั้งนั้นถ้าความคิดไม่เกิดขึ้นจิตก็เป็นปกติหรือแม้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้ทันจิตก็เป็นปกติ ทำทั้งหลายจึงสรุปลงที่จิตมีจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสาเร็จแล้วที่จิตเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการรู้กายหรือรู้อะไรก็ตามจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยเราก็สรุปลงที่จิตใจทัางนั้นมาดูที่จิตใจอย่างนั้นเราจึงจะพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือที่จิตใจ